ว่าด้วยการไม่สังวร 1. หนึ่งผู้ถูกฉุดรอบด้านสองแมวตายเพราะหนูสามเนื้อนาที่มีเกิดบุญสี่เสียขวัญตั้งแต่เห็นผงคลี 5. าเสียขวัญตั้งแต่เห็นยอดธงชายของข้าศึก 6. เสียขวัญตั้งแต่ได้ยินเสียงโ่ร้องเ็ 7. เสียขวัญตั้งแต่พอเริ่มการสัมปทานกันแผู้ตายคาที่ 9. ผู้ตายกลางทางสิผู้ตายที่บ้านสิบเอ็ดผู้รอดตายสิบสองผู้นอกรีดเลยเถิดสิบสาผู้ชล่าใจสิบสี่ผู้ชอบเข้าบ้านสิบห้าผู้ชอบคลุกคลีกับชาวบ้าน คุมทราบจากพระโอษฐ์หมวดที่สองว่าด้วยการไม่สังวรผู้ถูกฉุดรอบด้านภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่มีสังวร น, นั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสโผฏฐะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจก็สยบอยู่ในอารมณ์ที่น่ารัก เคียดแค้นในอารมณ์อันไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งไว้ซึ่งกายกตาสติมีจิตด้อยด้วยคุณธรรมไม่รู้ตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับแ่งบาปอากุศลที่เกิดแล้วแก่เขานั้นโดยสิ้นเชิงภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคง เพื่อเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิงจอกจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งหนึ่งแล้วผูกรวมเข้าด้วยกันเป็นปมเดียวในถ้ากลางปล่อยแล้วภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นทั้งหกชนิดมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็เยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนของตน งูจะเข้าจอมปลวกเจะระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนักจะเข้าบ้านสุนักจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่าครั้นเหนื่อยล้า ก, กันทั้งหกสัตว์แล้วสัตว์ใดมีกำลังมากสัตว์นอกนั้นก็ต้องถูกลากติดตามไปตามอำนาจของสัตว์นั้นข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุใดไม่อบรมทำให้มากในกายคตาสติแล้ว ตาก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยแงงหูก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยแงงจมูกก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยแง ลิก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงกายก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงและใจก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาธรรมารมที่ถูกใจธรรมารมที่ไม่ถูกใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิกษุทั้งหลายพิกษุผู้ไม่มีสังวรเป็นอย่างนี้แหลแมวตายเพราะหนูพิกษุทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วแมวตัวหนึ่ง ยืนคอยจ้องจับหนูอยู่ที่ปากช่องที่เทขยะมูลฝอยริมฟ้าเรือนด้วยหวังว่าหนูตัวอ่อนจับออกมาเพื่อหาเหยื่อในที่ใดจักจับมันกินเสียในที่นั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นหนูตัวอ่อนออกไปเพื่อหาเหยื่อแล้วแมวก็จับมันกลืนกินอย่างรวดเร็วทั้งเป็นๆหนูตัวอ่อนนั้นกัดลำไส้ของแมวนั้นบ้างกัดลำไส้สุดของแมวนั้นบ้าง แมวนั้นถึงแก่ความตายหรือได้รับทุกเจียนตายเพราะการที่หนูกัดไส้นั้นๆเป็นเหตุพิกสุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นพิกสุบางรูปในกรณีนี้ในเวลาเช้าครองจีวอนเถอบาดเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือนิคมเพื่อบิทบาทไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตไม่ตั้งสติไว้ไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหลายเธอเห็นมาตุคามในหมู่บ้านหรือนิคมนั้ น, น, น ผู้นุ่งชั่วห่มชั่วคลันได้เห็นมาตุคามผู้นุ่งชั่วห่มชั่วเช่นนั้นเข้าแล้วราคะก็เสียบแทงจิต ข, ของเธอพิกษุนั้นมีจิตถูกราคะเสียบแทงแล้วย่อมถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าตายในอริยวินัยนั้นได้แก่ผู้ที่บอกเลิกศีกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหัตที่เรียกว่า ทุกเจียนตายได้แก่ผู้ที่ต้องอาบัติอันเศร้าหมองร้ายแรงอันใดอันหนึ่งถึงกลับต้องออกจากอาบัตนั้นด้วยระเบียบแผ่งการอยู่กรรมเนื้อนาที่ไม่เกิดบุญภิกษุทั้งหลาย ช้างหลวงประกอบด้วยองค์ห้าเป็นช้างไม่คู่ควรแก่พระราชาไม่เป็นราชปานะได้ไม่นับว่าเป็นคู่บารมีของพระราชาองค์ห้าอะไรเล่าองค์ห้าคือช้างหลวงในกรณีนี้เป็นช้างที่ไม่อดทนต่อรูปทั้งหลายไม่อดทนต่อเสียงทั้งหลายไม่อดทนต่อกลิ่นทั้งหลายไม่อดทนต่อรสทั้งหลายไม่อดทนต่อโพธพะทั้งหลายที่สุทั้งหลาย ช้างหลวงที่ไม่อดทนต่อรูปทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีช้างหลวงเมื่อออกศึกได้เห็นหมู่พลช้างก็ดีหมู่พลม้าก็ดีหมูพลรถก็ดีหมูพนราบก็ดีของฝ่ายฆ่าศึกแล้วก็ระย่อหอ่อหดถดถอยเสียไม่อาจจะเข้าสู่ที่รบภิกษุทั้งหลายช้างหลวงอย่างนี้ชื่อว่าไม่อดทนต่อรูปทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย ช้างหลวงที่มีอดทนต่อเสียงทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ช้างหลวงเมื่อออกเึกได้ยินเสียงหมูพลช้างก็ดีหมูพลม้าก็ดีหมูพนรถก็ดีหมูพลราบก็ดีได้ยินเสียงกึกกลองแห่งกลองบันดอกสังและมโหระทึกก็ดีแล้วก็ระย่อห่อหดถดถอยเสียไม่อาจเข้าสู่ที่รบภิกษุทั้งหลายช้างหลวงอย่างนี้ชื่อว่า ไม่อดทนต่อเสียงทั้งหลายพิกษุทั้งหลายช้างหลวงที่ไม่อดทนต่อกลิ่นทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ช้างหลวงเมื่อออกศึกได้กลิ่นมูดและกลีดปัสสาวะและอุจจาระของช้างทั้งหลายชนิดที่เป็นชั้นจ่าเจนสงครามเข้าแล้วก็ระย่อห่อหดถดถอยเสียไม่อาจจะเข้าสู่ที่รบภิกษุทั้งหลายช้างหลวงอย่างนี้ชื่อว่าไม่อดทนต่อกลิ่นทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายช่างหลวงที่ไม่อดทนต่อรถทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ช่างหลวงเมื่อออกศึกเมื่อไม่ได้รับการทอดย่าและน้ำมือหนึ่งหรือสองมือสามมือสี่มือหรือห้ามือแล้วก็ระยอห่ อ, ห, อหดถดถอยเสียไม่อาจจะเข้าสู่ที่รบภิกษุทั้งหลายช่างหลวงอย่างนี้ชื่อว่าไม่อดทนต่อรถทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย ช้างหลวงที่ไม่อดทนต่อโผฏฐะทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ช้างหลวงเมื่อออกศึกถูกซอนที่เขายิงมาอย่างเร็วกระทันหันเข้าหนึ่งลูกหรือสองลูกสามลูกสี่ลูกหรือห้าลูกแล้วก็ระย่อห่อหดถดถอยเสียไม่อาจจะเข้าสู่ที่รบภิกษุทั้งหลายช้างหลวงอย่างนี้ชื่อว่าไม่อดทนต่อโผฏฐะทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุเมื่อประกอบด้วยเหตุห้าอย่างแล้วย่อมเป็นผู้ไม่ควรแก่ของบูชาไม่ควรแก่ของต้อนรับไม่ควรแก่ของทำบุญไม่ควรทำอัญชลีไม่เป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างดีเยี่ยมเหตุห้าอย่างอะไรกันเล่าเหตุห้าอย่างคือภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ไม่อดทนต่อรูปทั้งหลายไม่อดทนต่อเสียงทั้งหลายไม่อดทนต่อกลิ่นทั้งหลาย ไม่อดทนต่อรถทั้งหลายไม่อดทนต่อโผฏฐะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่อดทนต่อรูปทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ได้เห็นรูปด้วยตาแล้วติดใจยินดีในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีไม่อาจจะตั้งจิตเป็นกลางอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าไม่อดทนต่อรูปทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่อดทนต่อเสียงทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ได้ฟังเสียงด้วยหูแล้วติดใจยินดีในเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีไม่อาจจะตั้งจิตเป็นกลางอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าไม่อดทนต่อเสียงทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่อดทนต่อกลิ่นทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ได้ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วติดใจยินดีในกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ย, ยินดีไม่อาจจะตั้งจิตเป็นกลางอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าไม่อดทนต่อกลิ่นทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีอดทนต่อรสทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ได้ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ว ติดใจยินดีในรถอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีไม่อาจจะตั้งจิตเป็นกลางอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายพิกษุอย่างนี้ชื่อว่าไม่อดทนต่อรถทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีอดทนต่อโผฏฐะทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ได้สัมผัสโผฏฐะด้วยกายแล้วติดใจยินดีในโผฏฐะอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดี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 เสียขวัญตั้งแต่เห็นผงคลีภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางประเภทเพียงแต่เห็นผงคลีฟุ้งขึ้นเหนือกองทัพฆาศึกก็ขวัญหนีเครื่องกรามวันหวาดจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต่อต้านสงครามนักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักรบอาชีพประเภทแรกมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกภิกษุทั้งหลาย นักบวชเปรียบด้วยนักรคอาชีพเช่นนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุเหมือนกันในกรณีนี้คือภิกษุเพียงแต่เห็นผงคลีก็ขวัญหนีแคลนคลามวันว่าจนสกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะสือพระมันจั์ต่อไปได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกําลังใจต่อสืกขาบอกเลิกสิกขาเหมืองปรับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหัดข้อว่าผงคลีสําหรับภิกษุนั้นได้แก่อะไรเล่า ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุได้ฟังข่าวว่าสตรีนางหรือกุมารีนางสาวในหมู่บ้านหรือ น, นิคมโน้นรูปสวยเป็นขวัญตาเป็นขวัญใจมีผิวพรรณและสวนสงงามยิ่งนักภิกษุนั้นเพียงได้ยินข่าวเลยเท่านั้นก็ระยอท้อถอยระทมระทศหวนหวาจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะสือพระมันจั์ต่อไปได้ เิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกำลังใจต่อสิขาบอกเลิกสิขาหมุนกลับคลืนไปสู่เพศตามแห่งเคราะห์ความที่ได้ยินข่าวหญิงงามนี้ได้ในข้อว่าเห็นผงคลีสำหรับภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนกรบอาชีพผู้นั้นเพียงแต่เห็นผงคลีฟุ้งขึ้นในกองทับฆ่าศึกก็ ข, ขวัญห น, นีครั่งครามวันวาดจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต่อต้านสงครามชั้นใด ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรบอาชีพชนิดนั้นเป็นคู่เปรียบฉันนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนั้นเป็นนักบวช ท, ที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทแรกมีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุ เสียขวัญตั้งแต่เห็นยอดธงชัยของข้าศึกภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางประเภททนต่อผงคลีได้แต่พอสักว่าเห็นยอดธงชัยของข้าศึกเข้าแล้วก็ขวัญหนีครั่นครามวานวาดจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต่อต้านสงครามนักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้เป็นเช่นนั้นเป็นนักรบอาชีพประเภทที่สองมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกภิกษุทั้งหลาย นักบวชเปรียดด้วยนักรบอาชีพเช่นนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุเหมือนกันในกรณีนี้คือภิกษุทนต่อผงคลีได้แต่พอสักว่าเห็นยอดธงชัยของข้าศึกเข้าแล้วก็ระยอท้อถอยระทมระทศวันวาจนสกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเสือพระมันจั์ต่อไปได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมึกกาลังใจต่อศิขาบอกเลิกศิกขา เหมือนกลับเืนไปสู่เพศตามแห่งครหัสข้อว่ายอดธงชัยของข้าศึกสำหรับภิกษุนั้นได้แก่อะไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุไม่เพียงแต่ได้ยินข่าวดังกล่าวแล้วแต่ว่าเธอได้เห็นเองซึ่งสตรีหรือกุมารีรูปสวยเป็นขวัญตาเป็นขวัญใจมีผิวพรรณและชั่วทรงงามยิ่งนักภิกษุนั้นครั้นได้เห็นหญิงงามนั้นแล้วก็ระยอท้อถอยระทมระทศ วันวานจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะสือพระมันรย์ต่อไปได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้เหมือกําลังใจต่อศิขาบอกเลิกศิกขาเหมือนกลับคืนไปสู่เพศต่มแห่งครรภ์หัตความที่ได้เห็นหญิงงามนี้ได้ในข้อว่าเห็นยอดธงชัยของค้าศึกสําหรับภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักรบอาชีพประเภทที่ทนต่อผงคลีได้แต่พอสักว่าเห็นยอดธงชัยของค้าศึกเข้าแล้ว ก็ขวัญนี้ครั่งครามวันวาาจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต่อต้อตานสงครามชั้นใดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรคอาชีพชนิดนั้นเป็นคู่เปรียบฉันนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทที่สองมีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุ เสียขวัญตั้งแต่ได้ยินเสียงโห่ร้องภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางประเภททนต่อผงคลีได้ทนต่อยอดธงชัยได้แต่พอสักว่าได้ยินเสียงโห่ร้องของฆาศึกแล้วก็ขวัญห น, นีครั่นครามวันวาจนสงดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต่อต้านสงครามนักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักรบอาชีพประเภทที่สมมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก ภิกษุทั้งหลายนักบวชเปรียบด้วยนักรคอาชีพเช่นนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุเหมือนกันในกรณีนี้คือภิกษุทนต่อผงคลีทนต่อยอดทงใช้ของข้าศึกได้แต่พอสักว่าได้ยินเสียงโห่ร้องของข้าศึกเข้าแล้วก็ระยอท้อถอยระทมระทศหวันว่นหวาดจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะสือพรหมจรร์ต่อไปได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกาลังใจต่อศิษย์ขา บอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งครหัตข้อว่าเสียงโห่ร้องของข่าศึกสำหรับภิกษุนั้นได้แก่อะไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุอยู่ป่าหรืออยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างมีมาตุคามเข้าไปชวนระลิกซิกซีสวนเสหัวเราะเสียงดังยั่วเยาภิกษุนั้นถูกมาตุคามชวนระลิกซิกซีสวนเสหัวเราะเสียงดัง ย่อยาวเข้าแล้วก็ระย่อทอ้อถอยระทมระทศวันวาดจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะสื่อพรมรรจันต์ต่อไปได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมดกำลังใจต่อสิกธาบอกเลิกสิกธิ์าหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งครหัสความที่ถูกมาตุคามยั่วยวนกวนใจนี้ได้ในข้อว่าได้ยินเสียงโห่ร้องของข้าศึกสำหรับภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนักรบอาชีพประเภทที่ทนต่อผงคลีทนต่อยอดทงชัยได้แต่พอสักว่าได้ยินเสียงโหร้องของ่าสึกเข้าแล้วก็ขวัญหนีคลั่นคล้คามวันหวาดจนสกัดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต่อต้อตานสงครามฉันใดภิกสุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรบอาชีพชนิดนั้นเป็นคู่เปรียบฉันนั้นภิษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้ เป็นนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพในประเภทที่สามมีอยู่ในโมพิกษุหาได้ในโมพิกษุเสียขวัญตั้งแต่พอเริ่มการสัมปรหันกันภิกษุทั้งหลาย นักรบอาชีพบางประเภททนต่อผงขคลได้ทนต่อยอดธงชัยได้ทนต่อเสียงโห่ร้องได้แต่ว่าพอเริ่มการสัมประหานกันเท่านั้นก็ยอมแพ้นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักโรบอาชีพประเภทที่สมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกภิกษุทั้งหลายนักบวชเปรียดด้วยนักโรบอาชีพเช่นนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุเหมือนกัน ในกรณีนี้คือภิกษุทนต่อผงคลีได้ทนต่อยอดธงชัยของข้าศึกได้และทนต่อเสียงโห่ร้องได้แต่ว่าพอเริ่มการสําปะหารก็ยอมแพ้ข้อว่าการสําปะหารกันสําหรับภิกษุนั้นได้แก่อะไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือพิกษุอยู่ป่าหรืออยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างมีมาตุคลามเข้าไปนั่งเบียดนอนเบียดนั่งทับนอนทับ เมื่อเธอถูกกระทำเช่นนั้นไม่ทันจะได้บอกคืนสิกขาไม่ทันจะเปิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกำลังใจต่อสิกขาได้เสพเมถุนแล้วความที่ถูกกระทำเช่นนี้ได้ในข้อว่าเริ่มการสํมปทานกันสำหรับภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักรบอาชีพประเภทที่อดทนต่อผงเคลีได้ทนต่อยอดธงชัยได้และทนต่อเสียงโห่ร้องได้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 ตายคาที่ภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางคนถือดาบและโล่ซอใสยธนูและแหลงเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้วเขาอุตสาหาพยายามในการสู้รบนั้นผู้ฆ่าสือฆ่าเขาผู้อุตสาหาพยายามอยู่นั้นตายไปภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักรบอาชีพประเภทแรกมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกภิกษุทั้งหลาย นักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพชนิดนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิกษุหาได้ในหมู่พิกษุเหมือนกันในกรณีนี้คือพิกษุเข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เวลาเช้าถือครองจีวรถือบาตรเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือนิคมนั้นเพื่อบิณฑบาตไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตไม่ตั้งสติไว้ไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหลาย เธอเห็นมาตุคามในหมู่บ้านโรนิคมนั้นนุ่งชั่วห่มชั่วเพราะได้เห็นมาตุคามนุ่งชั่วห่มชั่วแล้วราคะก็เสียบแทงจิตของเธอภิสษุนั้นมีจิตถูกราคะเสียบแทงแล้วไม่ทันบอกเลิกศีรขาไม่ทันทำให้แจ้งซึ่งความเป็นผู้หมุกําลังใจต่อศีรขาได้เสพเมถุนแล้วภิสษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนกรคอาชีพผู้นั้นเถิดดาบและโล สอดใส่ธนูและแรลงเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้วเขาอุสาหาพยายามในการสู้รบนั้นผู้ฆ่าสึกฆ่าเขาผู้อุสาหาพยายามอยู่นั้นตายไปฉันใดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรบที่ตายในสนามรบเป็นคู่เปรียบฉันนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักบวช ท, ที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทแรกมีอยู่ในหมู่ภิกษุ หาได้ในหมู่ภิกษุผู้ตายกลางทางภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางคนถือดาบและโล่ส่อสายธนูและแล่งเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้ว เขาอุสาหะพยายามในการสู้รบนั้นพวกฆาศึกได้ฟันแทงเขาผู้อุสาหะพยายามอยู่นั้นจนมีแผลเต็มตัวพวกเดียวกันนำเอาตัวเขาออกไปจากที่รบเพื่อนำไปส่งหมู่ญาติเขาถูกพวกญาตินำกลับไปยังไม่ทันถึงสํานักญาติก็ตายเสียกลางทางภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักรบอาชีพประเภทที่สองมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก ภิกษุทั้งหลายนักบวชเปรืรินักรบอาชีพชนิดนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุเหมือนกันในกรณีนี้คือภิกษุเข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เวลาเช้าถือครองจีวรถือบาดเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือนิคมนั้นเพื่อบินธบาตไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตไม่ตั้งสติไว้ไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหลาย เธอเห็นมาตุคามในหมู่บ้านหรือนิคมนั้นนุ่งชั่วห่มชั่วเพราะได้เห็นมาตุคามนุ่งชั่วห่มชั่วแล้วราคะก็เสียบแทงจิตของเธอภิกษุนั้นมีจิตถูกราคะเสียบแทงแล้วเร่าร้อนกายรุ่มร้อนใจได้ความคิดว่าอย่าเลยเราจะกลับไปสู่อารามจากบอกความข้อนี้แก่ภิกษุทั้งหลายตามความในใจของเราว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าถูกราคะแผดเผาแล้ว ถูกราคาครอบงมแล้วเขาพเจ้าไม่อาจจะสืบพรหมจรรย์ต่อไปได้เขาพระเจ้าต้องเปิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกําลังใจต่อสิขาจากบอกเลิกสิขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งครหัตดังนี้ภิกษุนั้นครั้งกลับไปยังไม่ทันถึงอารามก็เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกําลังใจต่อสิาขาบอกเลิกสิขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งครหัตณกลางทางนั่นเองภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนักรบอาชีพผู้นั้นเถอดาบและโล่ส่อใส่ธนูและแร้งเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้วเขาอุตสาหะพยายามในการสู้รบนั้นพวกข่าศึกฟันแทงเขาผู้อุตสาหะพยายามอยู่นั้นจนมีแผลเต็มตัวพวกเดียวกันนําเอาตัวเขาออกไปจากที่รบเพื่อ น, นําไปส่งหมู่ญาตเขาถูกพวกญาตินํากลับไปยังไม่ทันถึงสํานักญาติก็ตายเสียณกลางทางนั่นเองฉั้นใด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 ที่บ้านภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางคนถือดาบและโล่สอดใส่ธนูและแร้งเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้วเขาอุตสาหาพยายามในการสู้รบนั้นพวกฆ่าศึกฟันแทงเขาผู้อุตสาหะพยายามอยู่นั้นจนมีแผลเต็มตัวพวกเดียวกันนําเอาตัวเขาออกไปจากที่รบเพื่อ น, นําไปส่งหมู่ญาติพวกญาติช่วยกันพยาบาลแก้ไขเขา เมื่อพวกญาพยาบาลแก้ไขอยู่ก็ยังตายเพราะความเจ็บนั้นจนได้ภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักรบอาชีพประเภทที่สมมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกภิกษุทั้งหลายนักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพชนิดนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิกษุหาได้ในหมู่พิษุเหมือนกันในกรณีนี้คือ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 ภิกษุนั้นมีจิตถูกราคะเสีบแทงแล้วก็เร่าร้อนกายรุ่มร้อนใจได้ความคิดว่าอย่าเลยเราจะกลับไปสู่อารามจะบอกความนี้แก่ภิกษุทั้งหลายตามความในใจของเราว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าถูกราคะแผลเผาแล้วถูกราคะครอบงำแล้วข้าพเจ้าไม่อาจจะสื่อพรหมจันทร์ต่อไปได้ข้าพเจ้าต้องเปิดเผยถึงความเป็นผู้หมดกําลังใจต่อสิขาจากบอกเลิกสิกขา มุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหัดดังนี้ภิกษุนั้นไปถึงอารามแล้วบอกความนั้นแก่พิกษุทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเขาพระเจ้าถูกราคะแผดเผาแล้วถูกราคะครอบงำแล้วเขาพระเจ้าไม่อาจจะสือกพรหมจันทร์ต่อไปได้เขาพระเจ้าต้องเปิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกาลังใจต่อสิขาจากบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหัดดังนี้ เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันตักเตือนให้สติเธอพร่ำชี้ช่องให้เธอกลับใจว่านี่เนี่ท่านผู้มีอายุพระผู้มีประภาคเจ้าได้ตรัสแล้วว่ากรรมทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากโทษเพราะกรรมนี้มีมากเกินประมาณกรารมทั้งหลายเปรียบด้วยท่อนกระดูกเปรียบด้วยชิ้นเนื้อเปรียบด้วยคบเพลิงยา่าเปรียบด้วยลุมทานเพลิงเปรียบด้วยความฝัน เปรียบเรียกของที่ยืมเขามาเปรียบเรียกผ ล, ลไม้เปรียบเรียกเขียงสับเนื้อเปรียบเรียกหอกและเหลาเปรียบเรียกหัวงูพิษเพราะการามทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากโทษเพราะการามนี้มีมากเกินประมาณดังนี้ขอท่านผู้มีอายุจงยินดีในพรหมจันทร์ผู้มีอายุอย่าแสดงความท้อแท้ต่อสิขาแล้วบอกเลิกสิกขา มือนกลับเคืนไปสู่เพศตามแห่งครหัตสเสียเลยภิกษุนั้นทั้งๆ ท, ท, ที่เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันตักเตือนให้สติอย่างนี้ชี้ช่องให้มองเห็นแล้วกลับใจเสียอย่างนี้ก็ยังเยืนกลานอยู่ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถึงแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วว่ากลามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากโทษเพราะกลามนี้มีมากเกินประมาณก็จริงอยู่แล แต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่อาจจะสืบพรหมจรรย์ต่อไปได้ข้าพเจ้าต้องเปิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกําลังใจต่อเสือขาจากบอกเลิกสืกขาเหมือนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครรหัดละดังนี้ภิกษุนั้นได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกําลังใจต่อเสือขาบอกเลิกเสือขาเหมือนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งขรหัดเสียจนได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักรบอาชีพผู้นั้นเถิดดาบและโล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 ภิกษุทั้งหลายเราเกล่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรบอาชีพชนิดที่สิ้นอาชีพที่บ้านญาติเป็นคู่เปรียบชั้นนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทที่สมมีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุ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 เขาถูกพวกญาติพยาบาลแก้ไขแล้วก็หายจากความเจ็บนั้นภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักรบอาชีพประเภทที่สมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกภิกษุทั้งหลายนักบวชเปรียบเลี้ยนักรบอาชีพชนิดนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่พิกษุเหมือนกันในกรณีนี้เพื่อพิกษุเข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่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 ภิกษุนั้นเมื่อจิตถูกราคะเสียบแทงแล้วก็เร่าร้อนกายรุ่มร้อนใจได้ความคิดว่าอย่าเลยเราจะกลับไปสู่อารามจากบอกความนี้แก่ภิกษุทั้งหลายตามความในใจของเราว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าถูกราคะแผดเผาแล้วถูกราคะครอบงำแล้วข้าพเจ้าไม่อาจสื่อพรหมจันทร์ต่อไปได้ข้าพเจ้าต้องเปิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกาลังใจต่อสือขาจากบอกเลิกสือขา มุนกลับเคลื่อนไปสู่เพศตามแห่งครหัดดังนี้ภิกษุนั้นไปถึงอารามแล้วบอกความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเขาพเจ้าถูกราคะแผ่เผาแล้วถูกราคะครอบงำแล้วเขาพเจ้าไม่อาจจะสือพระมันรันต่อไปได้เขาพเจ้าต้องเปิดเผยถึงความเป็นผู้หมกกาลังใจต่อศึกษาจากบอกเลิกศึกษาหมุนกลับเคลื่อนไปสู่เพศตามแห่งครหัดดังนี้ เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันตักเตือนให้สติเธอพร่ำชี้ช่องให้เธอกลับใจว่านี่แนี่ท่านผู้มีอายุพระผู้มีประภาคเจ้าได้ตรัสแล้วว่ากรามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีความขอบแคนใจมากโทษเพราะกรามนี้มีมากเกินประมาณกรามทั้งหลายเปรีบรยบด้วยท่อนกระดูเปรีบรยบด้วยชิ้นเนื้อเปรีบรยบด้วยคบเพลิงหญ้าเปรีบรยบด้วยหลุมถ่านเพลิงเปรียบด้วยความฝัน เปรียบด้วยของที่ยืมเขามาเปเรียบด้วยผ ล, ลไม้เปเรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปเรียบด้วยหอกและหลาวเปเรียบด้วยหัวงูพิษเพราะกรามทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากโทษเพราะกรามนี้มีมากเกินประมาณดังนี้ขอท่านผู้มีอายุจงยินดีในพรหมจรรย์ผู้มีอายุอย่าแสดงความท้อแท้ต่อสิขาบอกเลิกสิขา หวนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหัสเสียเลยพิสุนั้นอันเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันตักเตือนให้สติอย่างนี้ชี้ช่องให้มองเห็นแล้วกลับใจเสียอย่างนี้ก็ตัดสินใจให้ความยินยอมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเข้าไเจ้าจักอุสาหะจักดำรงพรหมจรรย์ไว้จักยินดีในพรหมจรรย์ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย บาดนี้ข้าพเจ้าจากไม่แสดงความท้อแท้ต่อศึกษาไม่บอกเลิกศึกษาไม่หมุนกลับเขินไปสู่เพศ ต, ตามแห่งครหัตละดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักรบอาชีพผู้นั้นถือดาบและโล่ส่อใสธนูและแล้งเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้วเขาอุตสาหาพยายามในการสู้รบนั้นพวกค่าศึกฟันแทงเขาผู้อุสาหาพยายามอยู่นั้นจนมีบาดแผลเต็มตัว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 เป็นนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทที่สมีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุแลคู่นอกรทดเลยเถิดภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ทำตนเป็นพระประจำสกุล เมื่อประกอบด้วยการกระทำห้าอย่างย่อมทำให้สกุลทั้งหลายหมดความรักหมดความพอใจไม่เคารพและไม่ตั้งไว้ในภาวะที่ควรห้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือหนึ่งวางท่าเป็นกันเองกับคนที่ยังไม่ถึงขนาดเป็นกันเองสองทำตนเป็นเจ้าขี้เจ้าการในสิ่งที่ไม่ได้รับอํานาจมอบหมายสามบคนฝ่ายปฏิปัก 4. ชอบพูดกระซิบที่หูหขอมากเกินไปภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ทำตนเป็นพระประจำสกุลเมื่อประกอบด้วยการกระทำห้าอย่างนี้ย่อมทำให้สกุลทั้งหลายหมดความรักหมดความพอใจไม่เคารพและไม่ตั้งไว้ในภาวะที่ควรแล ผูชล่าใจภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างย่อมเป็นผู้ทําให้เกิดการรังเกียจกินแหน่งแคลงใจแก่เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันว่าคงจะเป็นภิกษุลามกถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้มีธรรมอันไม่กลับกำเริบเคอเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้วก็ตามเหตุห้าอย่างอะไรกันเล่าเหตุห้าอย่างคือหนึ่งไปมาหาสู่สานักหญิงแพทย์สยาหนึ่งเนือง สไปมาหาสู่สำนักหญิ ง, ง, งม่ายเนืองเนือง 3. ไปมาหาสู่สำนักสาวแก่เนืองเนือง 4. ไปมาหาสู่สำนักคนถูกตอนแล้วเนืองเนือง 5. ไปมาหาสู่สำนักพิกษุณีเนืองเนือ ง, งภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างนี้แลย่อมเป็นผู้ทําให้เกิดการรังเกียจกินแหนงแคลงใจแก่เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันว่าคงจะเป็นภิกษุลาโมก ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้มีธรรมอันไม่กลับกมเริบเคยอเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้วข้อตามผู้ชอบเข้าบ้านพิกษุทั้งหลาย โทษห้าอย่างเหล่านี้เป็นโทษแห่งภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลเป็นปกติห้าอย่างอะไรเล่าหาอย่างคือหนึ่งเธอย่อมจะต้องอาบัตเพราะเที่ยวไปไม่บอกลาสองเธอย่อมจะต้องอาบัตเพราะนั่งร่วมกับผู้หญิงในที่ลับผู 3. เธอย่อมจะต้องอาบัตเพราะนั่งร่วมกับผู้หญิงในที่กำบัง 4. เธอย่อมจะต้องอาบัตเพราะแสดงธรรมแก่มาตุ ค, คามเกินห้าถึงหคำห เธอย่อมจะมากไปด้วยความคิดที่หนักไปในทางกามภิกษุทั้งหลายโทษห้ายอย่างเหล่านี้แหลเป็นโทษแห่งพิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลเป็นปกติผู้ชอบคลุกคลีกับชาวบ้าน ภิกษุทั้งหลายโทษห้าอย่างเหล่านี้เป็นโทษแห่งภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลแล้วคลุกคลีอยู่ในสกุลจนเกินเวลาอันสมควรโทษห้าอย่างอะไรกันเล่า5อย่างคือ 1. เธอย่อมได้เห็นมาตุคามเนืองเนืองสเมื่อมีการเห็นความใกล้ชิดทางกายก็มีขึ้น 3. เมื่อมีความใกล้ชิดทางกายความสนิทสนมเป็นกันเองก็มีขึ้นส เมื่อมีความสนิทสนมเป็นกันเองแล้วโอกาสก็มีขึ้นหเมื่อพิกษุมีจิตตกตามแล้วเป็นอันหวังผลเหล่านี้ได้คือเธอจะต้องทนประพฤติพรหมจรรย์อันเต็มไปด้วยอาบัติที่เศร้ามองหรือมิฉะนั้นก็จะต้องบอกเคกลืนศีขษะึกหมอนกลับไปสู่เพศตามแห่งครหัดเป็นแท้พิกษุทั้งหลายโทษห้ายอย่างเหล่านี้แหลเป็นโทษแห่งภิกษุ ผู้เข้าไปสู่ส ก, กุลแล้วคลุกเคลียอยู่ในส ก, กุลจนเกินเวลาอันสมควรหมวดที่สองจบ